ก็สมัยนั้นแหลท่านภาษารีบุตรนั่งอยู่ในมนดบเล็กๆแห่งหนึ่งที่มุงด้วยยะด้วยตะไคร่น้ําไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นและพิสูจนเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายอภิวาททาประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพากันเข้าไปหาท่านภาษารีบุตรกล่าวคําปราศัยกับท่านภาษารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง และได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาจะไปปัจช้าภูมิชนบทเพื่ออาศัยในปัจช้าภูมิชนบทนะท่านพระสารีบุตรนี่ก็เริ่มพูดเป็นธรรมะเลยว่าท่านทั้งหลายกราบทูลลาพระศาสดาแล้วหรือดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตพรามรหมณคฤหบดีสมณะผู้เป็นบัณฑิต เป็นผู้ถามปัญหาการพิกษุผู้ไปภารับชาตประเทศต่างๆมีอยู่ยนันะหมายถึงว่าถ้าเธอไปในสถานที่ต่างๆไปท้องถิ่นต่างๆนะจะมีผู้ที่เป็นบัณฑิตนี่เขาอยู่กันดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็พวกมนุษย์ที่เป็นบัณฑิตทดลองถามว่าพระศาสดา ข, ของพวกท่านมีวาทะว่าอย่างไรวาทะนี้แปลว่าทิฏฐินะีคือแนวคําสอนนะ่ะนะทิฏฐิท่านเป็นยังไง ตรัสสอนอย่างไรธรรมะทั้งหลายพวกท่านฟังดีแล้วเรียนดีแล้วสายใจดีแล้วทรงจําดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาบ้างหรือถ้าเขาถามแบบนี้นะเรียนมาพอที่จะตอบก็ได้ไหมเนี่ยนะก็ถ า, ถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรมีทิฏฐิว่าอย่างไงเนี่ยนะคือคือเขาเขาสนใจมากคือเรื่องของทิฏฐิเนี่ยนะสมัยก่อนเขาให้ความสําคัญกับเรื่องทิฏฐิว่าใครมีทิศทางอย่างไงเนี่ยนะมีแนวทางเพื่ออะไรเนี่ยนะเขาจะสนใจกันตรงนั้น ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพยากรณ์อย่างไรจึงจะเชื่อว่าเป็นผู้กล่าวกล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วจะไม่กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคําไม่จริงและพยากรณธรรมะสมควรแก่ธรรมะทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆจะไม่พึงถูกวินยูชนเนี่ยติเตียนไดนไน้คือท่านพูดเนี่ยถ้าท่านตอบเขา่ต้องตอบตามคําสอน แล้วก็คําสอนที่ท่านพูดตามนั้นน่ะคนอื่นพิจารณาแล้วตําหนิไม่ได้เลยแปลว่าท่านตอบถูกต้องตามคําสอนหมดเลยนะถ้าเขาถามแบบเนี้อย่างนี้ น, นี่ตอบได้เลยใช่ไหมบอกว่าพระพุทธเจ้ามีทิฏฐิว่ายังไงสอนว่ายังไงเห็นไหมก็คือปัญหาเหล่านีนะ้เราน่าจะเอามาสรุปทำถามไว้บ้างนะแต่จริงๆว่าคําตอบ โดยรวมๆนะจะไม่พ้นอริยสัจแต่จะยกสัจจะไหนขึ้นมาเท่านั้นเองเนี่ยนะบางแห่งบอกว่าบวชเพื่อกําหนดรู้ทุกข์อย่างเงี้ยนะก็คือบวชเพื่อทําปริญญานั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้ทําปริญญานในทุกขบางสูตรก็บอกว่านี่ให้ละสมุทัยนะบางสูตรก็ตอบว่าทำนิโรธให้แจ้งบางสูตรก็บอกว่า บ, าบําบเพ็ญไตรสิกขาคืออริยมรรคเนี่ยนะก็กว่าโดยรวมๆแล้วคําตอบจะต้องวนอยู่ในอริยสัจ ทั้งทั้งสี่ข้อแต่ตรงนี้กล่าวต่อไปว่าภิกษุเหล่านั้นนะว่าข้าแต่ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าทั้งหลายมาแต่ที่ไกลเพื่อจะรู้เนื้อความแห่งภาษิตนั้นในสำนักท่านพระสารีบุตรดีละนอะขอเนื้อความแห่งภาษิตนั้นจงแจมแจ้งกับท่านพระสารีบุตรเถิดเนี่ยนะ ภาษาริบุตรก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจากล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคําท่านภาษาริบุตรแล้วท่านภาษาลิบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายกษัตริย์พราหมณ์ครหบดีสมณะที่เป็นบัณฑิตเป็นผู้ถามปัญหากับภิกษุผู้ไปภายรัชชประเทศต่างๆนี่มีอยู่ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตจะทดลองถามว่า พระศาสดาของท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีวาทะคือทิฐิว่าอย่างไรตรัสสอนอย่างไรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระศาสดาของเราทั้งหลายตรัสสอนให้กําจัดฉันทราคัพนั่นนอันนี้ตอบว่าสอนให้ละสมุทัยสัตตนั่นนอันนี้คําตอบเน้นสมุทัยสัตต์เมื่อท่านทั้งหลายพยากรณ์อย่างนี้แล้วกษัตริย์ รามครหบดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปเนี่ย น, นะคือคนถามไม่ใช่ว่าตอบแล้วเขาจะเลิกถามใช่ไหมเราก็อาศัยที่ตอบนั่นแหละมาถามใหม่ว่าก็พระศาสดาของท่านผู้มีอายุทั้งหลายสอนให้กำจัดฉันทราคะในสิ่งอะไรนะบอกให้ให้ตัดความรักตัดความเยื่อใยนะว่า ง, งั้นนะพูดพูดภาษาเราเราว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไงบอกว่าสอนให้ตัดความรักความเยื่อใย อา่าสอนให้ตัดความรักความเยื่อใยในอะไรเนี่ยนะนะท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้ก็ตอบว่าพระศาสดาตรัสสอนให้กําจัดฉันทะราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะองนะบอกให้กําจัดความเยื่อใยในขันท่าให้หมดมันกันเถะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อท่านพยากรณ์อย่างนี้แล้วกษัตริย์พราหมณ์ครือหบดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่า พระศาสดาของท่านผู้มีอายุทั้งหลายเห็นโทษอะไรจึงตรัสสอนให้กาจัดฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ mm hmm. นะมีโทษหรื อ, อยังไงนะไปตัดเยื่อใยซะได้เนี่ยนะท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์ว่าดูก่อนอาวุธผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลมีความกำหนัดมีความพอใจความรักความกระหายความกวนกะวาย ความทยานอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ไปปราศเนี่ยนะคือไม่ไปปราศจากไปแล้วคือหมายถึงว่าถ้าผู้ที่ยังมีความรักความพอใจความกระหายอยู่ในรูปเนี่ยนะยังทยานในเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยโสกปริเทวทุกโทโมนัสและอุปาญาตย่อมเกิดขึ้นเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแปรปรนเป็นอื่นไป ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระศาสดาของเราทั้งหลายเห็นโทษนี้แลจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาเนี่ยนะก็ตอบได้นะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอะไรบอกสอนให้ตัดราคะในขันท่าเนี่ยนะฉันทา่าแปลว่าพอใจราคะาแปล ว, ว่าความกำหนัดนะก็คือตัดความกาหนัดความรักใคร่เยื่อใยในขันท่า ให้กำจดกกัดความรักความเยื่อใยก่อนอ่แล้วตัดความรักความเยื่อายในอะไรบอกในขันห้าเอาแล้วเห็นโทษอะไรอ่ะเห็นโทษเห็นโทษของการติดข้องด้วยฉันทราค่าในขันห้ายังไรอ่ะจึงให้ละเนี่ยนะหรือว่าถ้าไปติดไปข้องในขันห้ามันมีโทษอะไรเนี่ยนะทำไมจึงต้องละมัน ท่านก็บอกว่าถ้ายังไม่ตัดความเยื่อใยในขันห้านะขันห้าเหล่นี้แปรปลวนไปอะไรเกิดขึ้นน่ะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตก็จะเกิดขึ้นเพราะขันที่มันเที่ยงไม่มีใช่ไหมมันต้องแปรปลวนอยู่แล้วทีนี้ผู้ที่แปรปลวนในขันห้าที่จะไม่โสกะปริเทวะเพราะขันเหล่านั้นแปรปลวนมันก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วเมื่อขันห้าแปรปรวน โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตย่อมมีอย่างแ น, น่นอนเนี่ยนะคำว่าแปรปรวนของเรานี้แป ร, ปรแค่ไหนแค่ธุรกิจเอขอไปแค่เศรษฐกิจมันลดลงหรือว่าแค่ไหนจึงจะก่อให้เกิดโสกะเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยนะเท่าก็อนุวัตถาถ้าศึกษาปฏิจจสมุปบาทมาดีนะท่านรับตันหาไปหาโสกะปริเทวะเลยไอ้อระหว่างนั้นเนี่ยเรียกว่าย่นไว้แล้วเนี่ยนะรู้กันว่า ถ้ายังมีฉันทราคะในขันห้าอยู่นะอุปาทานก็เกิดถ้าอุปาทานเกิดพบก็เกิดถ้าพบเกิดชาติชรามรณาโศกปริเทวทุกโทมานอุปาญาตมันก็เกิดอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ที่สําคัญมากะนะขันห้าที่เกิดไม่ว่าจะพบใดอะที่เที่ยงไม่มีรอกเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงเนี่ยนะก็ต้องเสียใจนะแล้วก็เสียใจปัญหาที่มันชัดเจนมากใหญ่ๆโตๆก็คือปัญหาเรื่องการเกิดและการตายนี่แหละ นะโดยเฉพาะถ้าคนอื่นตายเราก็กเสียใจตัวเราเองถ้ารู้ว่าจะตายเราก็เดือดร้อนอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้เกลืตัวอย่างตรงๆเลยคือความตายนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เดือดร้อนกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าขันท่ายังไงมันต้อ ง, ตอ ง, ตองแตกทําลายแปล ว, ว่าตายแน่นอนตายทุกคนหมดที่นี้เอ๊ะทำยังไงจะได้ไม่ต้องโศกะปริเทวาล่ะเนี่ยนะถามว่าไอแล้วต้องการตัดแค่โศกะของภพนี้เท่านั้นหรือบอกไม่ใช่ ให้รู้เธอว่าการเกิดหรือการมีขันห้าไม่ว่าจะมีในพบใดๆก็เป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาทุกพบไปเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่ถามเขาก็ไม่เลิอกอ่ะก็ถามต่อไปว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตจะทดลองถามว่าก็ภาษาสดา ข, ของท่านผู้มีอายุทั้งหลายทรงเห็นอ น, นิสงอะไร จึงตรัสสอนให้กําจัดฉันทราค่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเออนี่นะถ้าตัดเยื่อใยในขันห้าได้หมดเลยมันดียังไงเนี่ยนะอันนี้ส์ก็คือกําไรอ่ะนะกำไรมันแค่ไหนเชอนะก็พูดแบบนักกาหน่อยแต่จริงกําไรนี่ก็แปลว่าอั น, นิี้สองก็แปลว่ากําไรอยู่แล้วเนี่ยนะเ อ, อ๊ะถ้าละกําจัดฉันทราค่านะถ้าตัดความรักความเยื่อใยในขันห้าได้หมดเลยมันจะได้กําไรยังไงเนี่ยนะ ท่านทั้งหลายก็ตอบว่าเมื่อบุคคลมีความกำหนัดความพอใจความรักความกระหายความกวนกวายความทยานอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปราดไปแล้วเนี่ยนะคือถ้าตัดฉันทราคาในขันห้าได้ทุกขันเนี่ยนะโสกกะปริเทวทุกโทมานัตอุปายาทย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเนี่ยน ะ, ะความโศกทั้งหลายเนี่ยนะโดยมากก็เกิดจากอะไร ก็เกิดจากความรักใช่ไหมคือไอ้ที่ที่ทําไมอ่ะพ่อรักแล้วจึงโศกรักแล้วมันควรจะดีไม่ใช่หรือบอกว่าเพราะสิ่งที่รักมันไม่เที่ยงเมื่อสิ่งที่รัก น, นะวัตถุอันเป็นที่รักไม่เที่ยงความรักอันนั้นแหละจะแปลไปเป็นก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายที่มีขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ก็เห็นว่าเออเนี่ยไอ้ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดจากจากความรักนั่นแหละจากฉันทราคะเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นภาษาสดาของเราเนี่ยเห็นอั น, นิี้สองอันนี้เนี่ยนั่นแะคือเห็นอ น, นิี้สองว่าถ้าตัดชั้นราคะในขันห้าได้หมดเลยเนี่ยจะไม่ทุกอย่างงั้นนะคือจะไม่ต้องเสียใจยเพราะขันห้าแปรปลวนไปก็มีในชาดกอยู่เรื่องหนึ่งนะ เ, เขามีนกเอานกน ก, นกพิราบนี่นกอะไร น, นกเขาหรือนกพิราบนี่แหละนก เขาก็ไปด้วยเป็นคู่ะนะเป็นนกคู่ไปไหนก็บินด้วยกันเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ไปเขาก็ชอบพอกันมากมีความสุขด้วยกันอย่างมากเนี่ยนะตามประสานนกมากทีนี้มีอยู่วันหนึ่งไอ้เหี้ยวมาโฉบเอานางนกไปเนี่ยนะไอ้นกตัวผู้เนี่ยทุกมากเลยนะทุกมากเขาใจเอ๊เขาทุกมากเขาทำยังไงดีนะถ้าของเราทั้งหลายเนี่ยถ้าทุกอย่างนั้นจะเริ่มแก้ปัญหายังไง น, นะนกเขาคิดเลยว่าเออเนี่ยนะไอ้ความทุกข์อันนี้ที่เรามีอยู่เนี่ย เพราะเรามีฉันทราคะในนางนกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาสมาทานอุโบสถว่าอุโบสถที่เขารักษาเนี่ยจงเป็นไปเพื่อจัดตัดฉันทราคะอย่างเดียวนะมันก็ของเราก็เอาอย่างนั้นบางนะถ้ามีทุกข์อะไรนี่มันเกิดจากกิเลสนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องบำเพ็ญไตรสิกขาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อกำจัดกิเลสถ้ากำจัดกิเลสได้หมดนะความทุกข์เหล่านี้จะไม่มีอีกเป็นแน่วางั้น ทั้งหมดนี้เท่ากับประกาศอาริยสัจจบเลยนะเนี่ยนะฉันทราคา<น>ะเป็นสัจจะอะไรสมุทัยสัจเนี่ยนะฉันทราคะเกิดในสิ่งไหนในขันห้าขันห้าเป็นทุกขสัจเนี่ยนะทีนี้ถ้าทุกขะสมุทัยเนี่ยนะหมายถึงว่าฉันทราคะความรักความเยื่อใยในขันห้าอ น, นิสงค์คือยังไงก็เกิดชาติชรามรณะสโสกปริเทวะทุกโธมณตและอุปาญาตวัตทุกข์ก็จะเกิด ถ้ากําจัดฉันทราคะในในขันท่าได้หมดสงบทุกได้หมดเนี่ย น, นะก็อริยศาสตร์ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเนี่ยเก็นิโรธศัสตร์คือความดับอ่ะนะนั้นข้อปฏิบัติที่กําจัดฉั้นธราคะนั่นแหละนี่ย น, นีคือถามว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่ไม่บอกวิปัสนาเลยไม่ไม่แนะนําข้อปฏิบัติอะไรเลยจริงๆริงท่านแนะนําแล้วเนี่ย น, นะท่านแนะนําว่ายังไงว่า ความรักทั้งหลายเนี่ยฉันทราคาทั้งหลายเกิดที่จากที่ไหนก็เกิดจากขันห้าใช่ไหมก็สิ่งที่เราชอบมีพ้นขันห้าไว้ไม่มีเอาแล้วคิดยังไงจึงจะไม่มีฉันทราคาในขันห้าอันนั้นเอาเนี่นยนะก็อันนั้นแหละคือข้อปฏิบัติว่าคิดยังไงในขันห้าโดยที่ไม่มีความกำหนัดในขันห้าเนี่นยนะถ้าใครคิดได้อย่างนั้นก็นั่นแหละเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรม เพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติชอบในโลกนี้คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อกําจัดโลภะโทสะและโมหะเนี่ยนะแล้วก็มีบางสูตรท่านก็บอกว่าผู้ที่เป็นธรรมกัจจุในโลกนี้ก็คือสอนให้ละราคะโทสะโมหะว่าวันนี้จะได้เป็นกับเขาบ้างกับตรงนี้แหละแต่เป็นธรรมกัจจุกับเขาบ้างแเพราะว่าผู้ใี่ละราคะนี่แหละจริงสูตรนี้เป็นโครงสร้างที่สั้นที่สุดที่ฟังแล้ว จะต้องเข้าใจเลยนี่คือศาสนาพุทธคาสอนของศาสนาสั้นที่สุดในมองเห็นชัดเจนตั้งแต่คถามเลยใช่ไหมครับเจ้า น, น่าเลยคือคือคําถามนี้เขาก็ถามทั่วไปแหละแต่คําตอบต้องตรงประเด็นนั่นนะคือเป็นคําตอบที่แนวแนวเดียวกับคําสอนไม่ผิดเพี้ยนจากคาสอนเลยต้องเป็นคําตอบแนวนี้เหมือนนทีนี้ต่อไปว่าดูก่อนผู้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อบุคคลเข้าถึงอกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ จักได้มีการอยู่สบายไม่มีความลําบากไม่มีความคับแค้นไม่มีความเดือดร้อนในปัจจุบันนี้และเมื่อตายไปแล้วพึงหวังสุขคติได้ไซพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะไม่พึงทรงสรรเสริญการละอกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะก็จริงอย่างนั้นจริงๆนะว่าถ้าหากว่าชีวิตเนี่ยอยู่ด้วยอกุศล หมกมุ่นอยู่กับบาปกับอกุศลตลอดเวลาเนี่ยนะอกุศลเกิดครอบงำอกุศลคือราคะโทสะโมหะล่วงมาทางกายเนี่ยนะชั่วความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาคิดชั่วทางใจถ้าถ้าทแบบนี้แล้วมีความสุขนยะชาตินี้มีความสุขอยู่ดีหมดเลยแล้วตายแล้วก็ไปสวรรค์ด้วยพระพุทธเจ้าไม่ต้องเทศให้ละอะไรหรอกเพราะมันดีอยู่แล้วน่ะนะสอนให้ละทาไมอย่างั้ มันเหมือนกับยาบ้านน่นะถ้ามันดีจริงรัฐ บ, บาลก็ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ใบริโภคให้มากๆแล้วเนี่ยนะตั้งแผงขายเลยนะเหมือนยารักษาโรคทั่วไปแต่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นเนื่องจากมันมีโทษ น, นะก็เลยออกกฎหมายนั้นก็ดื้อหน้าดูเลยก็เพราะบุคคลเข้าถึงอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมมีการอยู่เป็นทุกข์มีความลาบากมีความขับแค้มีความเดือดร้อนในปัจจุบันและเมื่อตายไปแล้วพึงหวังได้ทุคติ ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสันเส ร, ริมการละอาุสลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเนื่องจากอากุสลธรรมทั้งหลายบาป ก, กิเลสทั้งหลายมันมีโทษเนี่รรยนะมันมีโทษโทษทั้งโลกนี้ด้วยโทษทั้งโลกหน้าด้วยแล้วก็มีโทษไม่มีที่จบที่สิ้นด้วยเพราะเนื่องจากมันมีโทษอย่างนี้แหละจึงสอนให้ละถ้าถ้าอ่านตรงนี้นะที่ที่จะเห็นชัดเนี่ยเห็นอะไรเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์กําจัดสิ่งที่ไม่มี ประโยชน์ออกไปให้เราเนี่ยนะผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะต้องมองเห็นส่วนนี้ว่าสิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์ต่อเราทั้งหลายพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกให้เนี่ยนะก็จะจัดบาปให้นะจัดแจงสิ่งที่มีโทษออกไปดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแต่เมื่อบุคคลเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ จักได้การอยู่เป็นทุกข์มีความลำบากมีความคับแค้นมีความเดือดร้อนในปัจจุบันนี้และเมื่อตายไปแล้วพึงหวังทุกขติไซพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะไม่พึงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศีลสมถาวิปัสนามรรคผลเนี่ยนะถ้าหากว่าใครที่ได้กุศลเหล่านี้แล้วอะทุกอยู่ทุกตายแล้วก็ไปอบายอีกพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะสอนให้ปฏิบัติไปทําอะไร นะแต่ก็เพราะว่าเมื่อบุคคลเข้าถึงกุศลรธรรมทั้งหลายเนี่ยนะกุศลก็คือสมถาวิปัสสนามกผลนั่นแหละมีการอยู่สบายไม่มีความลำบากไม่มีความคับแค้นไม่มีความเดือดร้อนในปัจจุบันและเมื่อตายไปแล้วก็พึงหวังสุคติได้นั่นะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายนนะนะตรงนี้ก็ตอนท้ายมาชี้ชัดให้เห็นอย่างหนึ่งว่า สมุทยัยศัสตร์เนี่ยนะถ้ามันดีจริงอะ่ะก็ไม่รู้จะสอนให้มละไปทําอะไรเพราะมันดีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ดีจึงสอนให้ละมักษัตริย์เป็นของดีเป็นของประเสริฐอย่างยิ่งเนี่ยนะถ้าหากว่าทําไปแล้วไม่ดีจริงก็ไม่รู้จะ แ, แนะนำทาไมแต่ว่าการปฏิบัติตามมักเนี่ยมันดีจริงๆอ่ะจึงสอนให้เจริญเนี่ยนะคืออากุศลเนี่ยเป็นตัวแทนของสายสมุทัยศัตร์หมดเลยกุศลก็เป็นตัวแทนของสายมักษัตริย์เนี่ยนะ เพราะฉะนั้น ก, ก็ก็ตบท้ายด้วยริยาศาสตร์อิจูดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภิกษุท่านฟังแล้วก็ชื่นชมยินดีแล้วก็ไปปัดช้าภูมิต่อไปเนี่ยนะก็ไปปฏิบัติไปเจริญตามนี้แหละเนี่ยนะส่วนอัตกถาก็ผ่านเนี่ยนะวที่จริงนะอะว่าสูตรนี้เนี่ยถ้าคนเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยนะการจะไปปฏิบัติ ในแนวหลายแนวหลายอย่างนี่นะแต่ถ้าหาว่าไม่เป็ น, นการละความเพลิดเพลินความติดในในอุปาทานการโดยไม่รู้จุดมุ่งหมายอันนี้นี่นะก็ไม่ใช่หนทางอยู่แล้วก็ก็เป็นกล่มศีลพัตะปรา rama าอยู่แล้วถ้าถ้าไม่รู้จุดมุ่งหมายเพื่อกําจัดฉันทราคะหรือไม่ได้เจริญเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยะศักดิ์นั้นะก็คือกล่มอุปาทาน ทั้งที่เป็นทิฏฐุปาทานในเบื้องแรกก่อนไปเจริญตามนั้นก็เป็นศีลพัตุปาทานเพราะมีอัตวาทุปาทานนั่นแหละเป็นเหตุแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องการกามุปาทานเนี่ยมันก็ก็หมกมุ่นในอุปาทานสี่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าสํานักใดตั้งข้อเสนอว่าเมื่อคุณมาปฏิบัติตามที่ฉันเนี่ยคุณจะเจริญด้วยกามุปาทาน นะโอ้โหคนนี่แห่ไปแต่เขาไม่ได้ใช้ศัพท์นี้หรอกแต่เขาเสนอว่าถ้าคุณมาปฏิบัติตามนี้คุณจะรวยเนี่ยนะคุณจะรวยชีวิตคุณจะดีขึ้นครอบครัวคุณจะดีขึ้นทุกอย่างดีหมดเนี่ยนะลาบสกักลาบสักการะสรนเสริญดีชื่อเสียงคุณจะดังก็ชมไปนะบางคนก็จะไปอะที่จริงก็แปลว่าถ้าคุณมาที่นี่นะถ้าคุณมาปฏิบัติตามที่ฉันบอกคุณจะเจริญด้วยการ ม, มุปาทานเนะี่ยนะจริงๆก็บอกว่าอย่างนั้นเลย แต่ว่าเราก็แปลไม่ค่อยออกเลยไหมก็ต้องการออมิตรอมิตรแปลว่าอะไรไหมแปลว่าเหยือเนี่ยนะเห็นเหยื่อเข้าไปแล้วลืมว่าเอ๊ะมันมีเบ็ดอยู่ด้วยนะลืมไปหรือก่อนหน่มีความรู้ว่ามันเป็นเบ็ดซะด้วยเนี่ยนะนะอีกสูตรหนึ่งนะยครหัด ส, สมัยก่อนเนี่ยนะเขาถามปัญหาธรรมะเนี่ยเขาเขาเขาไม่ได้ถามแบบ ธรรมดานะมีความรู้ความเข้าใจในาศาสนาอยู่แล้วก็ยกธรรมะเนี่ยมาถามซึ่งสมัยพุทธกาลก็มีว่าสมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจายนะอยู่ณนภะูเขาชันข้างหนึ่งใกล้กุระคระนะครแควนอวันตีเนี่ยนะครั้งนั้นแลนหลเครือาบดีชื่อว่าฮาลิตธิกานิเข้าไปหาท่านพระมหากัจจายนะถึงที่อยู่ อภิวาสแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจยนะว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสภาสิดนี้ในมาคันธยะปัญหาอันมีในอัท ธ, ธกวัววะนะโอโ้อ้างสูตรด้วยนะโน่นแหะตรัสไว้ในอัท ธ, ธกวัววะคำพีสุตตานิบาตเนี่ยนะถ้ า, ถ, าถ้าพูดให้เต็มบอกคำภีสุตตานิบาตที่พระพุทธเจ้าอ่ะตรัสกับมาคันธยพราหมณ์มาคันธยพรามณ์คือใคร ก็คือพ่อของพระนางมาคันธยานะก็สูตรนี่แหละที่นางมาเป็นเหตุให้นางมาคันธยาณ์เนี่ยนะทำบาปอย่างมากแต่พ่อแม่ฟังจบบรรลุปเป็นพระนาคามีเนี่ยนะก็สูตรนี่แหละซึ่งแปลรวมว่ามุนีละที่อยู่แล้วไม่มีที่พักเที่ยวไปไม่ทําความสนิทสนมในบ้านเป็นผู้ว่างจากการมทั้งหลายไม่มุ่งถึงกาละข้างหน้าไม่ทําถ้อยคําแก่งแย่งกับชนอื่นดังนี้นะ เอาปัญหานี้มาถามพระมหากาจชนะนะนะว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญเนื้อความแห่งพระพุทธวจนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยย่อนี้จะพึงเห็นได้โดยพิสดารอย่างไรเนี่ย น, นะยกปัญหาธรรมะมาเนี่ยนะครัเป็นยุคนี้ก็แหลงวโยอมอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะมาถึงว่าอ้างพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้มีข้อความว่าอย่างนี้มีเนื้อความยังไงพระคุณเจ้า ก, กันนะก็เล่มไหนเล่มไหนามาเปิดให้ดูกัน เพราะว่ามาก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันเลก็ต้องตอบอย่างนี้ก่อนระดับแรกนะตามสูตรแต่พระมหาการยนะเนี่ยในฐานะเป็นผู้ที่มีปัญญาสะสมบุญมามากพอฟังก็เข้าใจทันทีแต่การตอบปัญหาของพระมหาการยนะจะตอบเป็นแยกให้เห็นทั้งดาทั้งขาวคือจะแยกให้เห็นทั้งวัตตะและวิวัตตะในขณะเดียวกันเนี่ยนะ คำบทแรกก่อนว่ามุนีละที่อยู่แล้วคำว่าที่อยู่นี่คืออะไรคำว่าที่อยู่ในที่นี้หมายถึงขันห้าเนี่ยนะซึ่งอธิบายว่ารูปธปาตุเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณก็แหละมุดีใดมีวิญญาณทัวพันด้วยราคาในรูปธปาตุมุนีนั้นกล่าวว่ามีที่อยู่อาศัยเที่ยวไปใครที่ยัง กำหนัดในรูปประขันอยู่เที่ยวไปเนี่ยนะเขาเรียกว่าคนมีที่อยู่นะไปแบบคนมีที่อยู่เพราะอะไรก็มีที่อยู่จริงๆอ่ะนะก็ยังพักยังยังติดในขันห้าอยู่ดีอะ่ะเพราะติดในรูปประขันของตัวเองแล้วก็ยังเที่ยวไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามีที่พักเที่ยวไปเนี่ยนะคำว่าวิญญาณในที่นี้หมายถึงกรรมวิญญาณแปลว่าเขายังมียังเป็นบุญเป็นบาปโดยอาศัย รูปประคันเพราะฉะนั้นคนอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเที่ยวเนี่ยเที่ยวควรเที่ยวไปไหนฟังให้ออกนะคนที่ทํากรรมในรูปประคันอยู่ทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยเพราะกําหนัดติดข้องในรูปประคันเนี่ยถามว่าเขาจะไปไหนคติอ่ะนะถ้าคําว่าไปเนี่ยแปลว่าคติเขาควรจะปฏิสนธิที่ไหนต่อไปเ<ๆ>นี่ย<ๆ>นะคือเขาไม่มองว่าเที่ยวจากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนี้แต่ถือว่าถ้ายังติดข้องในรูป นะมีฉันทราคาในรูปกรร ม, มวิญญาณก็เกิดขึ้นกรร ม, มวิญญาณก็คือกรรมภพนั่นแหละถ้ากรรมภพเกิดขึ้นต่อไปแล้วเลยเกิดที่ไหนเนี่ยนะก็มองขนาดนั้นนะเพราะว่าเขามองแบบคือพิจารณาและเขาเห็นอริยสัจนะเขาจะไม่มองแบบง่ายง่ายหรอกมองและเห็นอริยสัจเลยข้อแรกก่อนนะติดข้องในรูปประทัดข้อสองในเวทนาธาตุข้อสมในสัญญาธาตุข้อ4ีในสังขารธาตุ ธาตุสีประการแล้ววิญญาณที่ไปค้องในธาตุสีประการอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวิญญาณทิติเนี่ยนะนะวิญญาณทิติคือที่ตั้งแห่งวิญญาณมีสีประการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นที่ที่ตั้งแห่งวิญญาณทิตินะนะวิญญาณทิติ4จะจะต่างจากวิญญาณทิติ7นะคนละในกันแต่นี้เรียกว่าวิญญาณทิติ4 ในนี้เนติปกรณ์ที่แจกไปแล้วคงทําการบ้านกันแล้วนีนั่นแหละในนั้นจะมีคําว่าวิญญาณทิติสีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวิญญาณทิติสีก็คือตรงนี้แหละนันะวิาณึงปฏิสูที่วิญญาณเอ่อคือปกติเนี่ยคำว่าขันมีห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ยกวิญญาณในฐานะเป็นตัวเป็นประธานแต่เน้นไปที่กรรมวิญญาณกรรมวิญญาณเวลามันเกิดเนี่ยอารมณ์ของมันคืออะไร ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะเพราะฉนั้นขันที่เหลือขันที่เหลือสี่ประการก็เป็นที่อาศัยของวิญญาณ น, นั่นแหละทีนี้ถ้ายังพัวพันอ่ะนะวิญญาณคือคือกรรมวิญญาณอะ่ะประเภทประเภทไหนโลภะแปดวงเนี่ยนะกรรมวิญญาณประเภทโลภะแปดวงเนี่ยที่ติดข้องในรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเนี่ยนะก็บอกถึงอะไร บอกว่าเนี่ยคนมีที่อยู่นะเที่ยวไปเนะี่ยไปแบบอาพาบ้านไปด้วยก็แหละมูดีใดมีวิญญาณผัวพันด้วยฉันธราขาในสังขารธาตุมูนีนั้นกล่าวว่ามีที่อยู่อาศัยเที่ยวไปดูก่อนขึ้นหาบดีมุณีเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเที่ยวไปด้วยประการชนี้แปลว่ารวมยอดว่าคนที่ยังไม่ละที่อยู่เนี่ยนะ เที่ยวไปคือคนยังที่ติดข้องในขันท่าเรียกว่าคนมีที่อยู่ไปอันนี้ที่กล่าวไปเนี่ยเป็นลักษณะของวัตตะนะก็คือคนที่ไปแบบวัตตะแต่พูดแบบง่ายๆก็คือก็พวกเราที่เที่ยวกันไปอยู่ทุกวันนี่แหละเรียกว่าคนมีที่อยู่เที่ยวไปอ่ะนะบบไปด้วยนะพาไปด้วยกันนะแล้วที่อยู่อันนี้นะขนไปด้วยนะมันไม่ไม่เก็บไหมนะพาบ้านไปด้วยอ่ะนะ